สำหรับบัดนี้ท่านันหลายได้พากันสมาทานกรรมฐานและสมาทานศีลแล้วบทว่าอิมาหังพระกวาตภ า, าวังตุมหากลางปริจฉามิ ซึงแปลเป็นใความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าตอนที่ได้ยินเสียงอย่างนี้และท่านว่าตามอย่างนี้ความรู้สึกของท่านเป็นยังไงท่านว่าตามไปตามประเพณีหรือว่าก็เป็นความตั้งใจ หวังจ้าทิ้ชีวิตและร่างกายเป็นการบูชาพระรันาตนตรัยหรือเปล่า <c oughs> สำหรับคํานี้เป็นเครื่องวัดกําลังใจของท่านเพราว่าคนที่จะเป็นเบอร์โซดาสีทาคาอนาคารหันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่จะเป็นเบอร์โซนดาบันมีความเคารพในพระประ พระพุทธเจ้าจริงๆมีความเคารพในบาธรรมมีความในเคารพในประสงค์จริงคือมั่นคงในคุณพระรัตตรยัยพระรัตนตรัยทั้งสามประการจริงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จริงมีรมจับนิพพานจริงนี่เปรีการของประสูดาบันเมื่อขติตเข้าถึงประโสดาบันแล้วก็บรรเทาความรัก บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงการบรรทัศน์มาบรรเทาความรักก็หมายความว่ามีรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมรักกันเฉพาะคู่ตัวผัวเมียในฐานะที่นิบบมาที่ความรักจนะได้การมาได้กามารมจิตใจไม่ไปยุ่งกับคนอื่นได้ความโลภ พระโสดาบันยังมีการอยากรวยและรวยอยู่ในขอบเขตของศีลรวยรวยอยู่ในขอบเขตของระเบียบประเพณี <c oughs> ไม่อยากรวยนอกรีธนอกรอยพระโสดาบันยังมีความโกรธที่ว่าบรรเทาความโกรธเขาเพราะว่าได้แต่โกรธประทุษร้ายเขาไม่ได้ พระโสดาบันยังมีความหลงเพราะว่ายังรักสวยรักงามยังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธจริงที่ว่ามีความหลงแต่ถึงกระไรคนดีพระโสดาบันยังมีความดีอยู่มากคือหนึ่งไม่ลืมความตายไม่ประมาทในชีวิต เร่การทีสองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในบุตธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงจังไม่สักแต่ว่ามีทําความเคารพแล้วมีศีลบริสุทธิ์จิตมีความสงบรักพนิพพานเป็นอารมณ์ที่นํามาพูดนี้เพราะว่าสงสัยสงสัยว่าคนในกลุ่มของเราบางคน จะมีนิสัยประเภทเพียงสักว่าจับรายรูดคอยตำหนิตีเตียนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่มีความดีพอคนนี้ชอบตำหนิคนอื่นนะั่นแสดงว่าปิดใจมันเร็วจัดถ้าใจของเราไม่เร็วมันก็ไม่อยากจะตีไขรนี่เบรกบางเบรกการก็สั่งแต่เพียงว่าทำสีหลอกชาวบ้าน ทำมาว่าฉันนี่เป็นปราชต์เป็นคนดีมีความรู้มีการบรรลุ ม, มรรครรลุผลแต่จิตใจของตนยังประกอบด้วยความเลวทรามแม้แต่การเคารพแต่พระราตนารัยก็ยังไม่มีนี่จุดนี้เป็นจุดสําคัญคือเป็นจุดบอดสําหรับผู้คนที่เกิดมาแล้วโดวยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราได้ฟังคําสอนกันทุกๆวันวันหลายเวลา แต่จิตของเรายังไม่ยังไม่บรรเทาความรักในระหว่างเพศไม่บรรเทาความโลภไม่บรรเทาความโกรธไม่บรรเทาความหลงสแสดงว่าเราเป็นอภัพภะบุคคลเป็นบุคคลที่หาความดีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการฉะนั้นขอท่านนันหลายจตนาวัตรระวังจิตใจของท่านให้มีในเรื่องนี้ให้มากอย่ามีความประมาท เกิดมาเป็นคนแล้วจงอยากกลับลงไปเป็นสัตว์นรกเพราะว่าถ้าอยู่แดนอย่างนี้ท่านลงก็ลงลึกเพราะว่าชาวบ้านเขาคิดว่าเราดีต่อจากนี้ไปก็มาพูดกันเรื่องเรื่องพระสกิทาคามีมักสกิทาคามีมักในด้านอาสวัปปสัญญาหรือว่าในด้านความรักในระหว่างเพศ ผมพูดมายาวไปหน่อยแต่ทั้งๆ ท, ที่ยาวนี่ความจริงมันก็ยาวมาหลายปีแล้วถ้าจะเรื่องเอาเรื่องนี้มาพูดกันมาต่อกันทุกๆปีทุกๆคราวที่ผมพูดมันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่แต่ไดย ว, ว่าอาศัยบุคคลบางคนที่มีน้ำใจหยาบเป็นอภิภพบุคคลไม่ได้รู้เรื่องนี้ซะเลย เป็นที่น่าสียดายคือความรักกับความโลภจะมันโตเดียวกันวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องความโลภสำหรับพระสกิธาคามีที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพระสกิธาคามีก็เรียกว่าสกิธาคามีมรัก จิตดวงนี้ถ้าความจริงเนี่ยเราตัดความรักในระหว่างเพศเส้นได้ความโลภมันก็ขาดความโลภหรือความโกรธความหลงมันก็มีกำลังเบาไปเสมอๆกันแต่เพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะขอนำมาพูดไว้แต่ความจริงถ้าผมเองแล้วก็ผมไม่อยากฟัง เพราะว่าผมไม่ได้ศึกษามากอย่างพวกท่านศึกษากันผมศึกษามาตามปกติครูบาอาจารย์สอนเล็กน้อยผมก็พยายามไปทำให้มันได้จุดใดที่อาจารย์สอนถ้าเราทำยังไม่ได้เราก็าไม่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ผมก็นำมาจากตำรับตำราผมไม่ได้คกรอาจารย์มาก ถ้าส่วนใดในตำราที่ผมดูแล้วไม่เข้าใจนั่นผมจะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ว่าส่วนใดที่ได้จากมีตําราอยู่แล้วเราปฏิบัติไปมันจะผิดหรือมันจะถูกจึงเข้าไปหาครูบาอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นการซักซอ้อมค้นในการปฏิบัติส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติถูกแต่มันมีส่วนหยาบ ให้เราเตือนเข้าไปหาส่วนละเอียดมันก็เป็นการเตือนเล็กน้อยอย่างนี้เราก็ทำกันได้รวมความว่าจิตการที่เราทำกันจริงๆและจับสกายทิฐิตัวเดียวแล้วก็เอาสังโยชน์ทั้งสิบรายการเป็นเครื่องวัดใจเขาทำกันแค่นี้เขาไม่ทำกันมากกันหมายผลที่มันจะพึงได้ก็คือผลที่เราต้องการ แล้วก็เป็นผลที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พูดกันทึงคนดีคนรู้จริงแล้วก็คนเอาจริงนี่สำหรับผมพูดนี่ผมพูดเผื่อว่าไม่รู้แต่ความจริงมันก็หนามากนะถ้าไม่รู้แบบนี้หนามากฟังกันมานานแล้วต ำ, ตำรบับตารามีดูเทพมีฟังแล้วก็ฟังฟรีกันตลอด ถ้ายังไม่เข้าใจยังลดไม่ได้แล้วก็นิมนต์สึกรรมแล้ถ้าเ ป, เป็นพระเป็นพระเป็นนิเนนิมนต์สิบก็จะเถอะไม่มีอะไรจะดีหรอกตอนนี้มาพูดกันตามจุดของพระศีธาคามีมักในเมื่อความโลภนี่เราบรรเทากันมันได้แล้วจากพระโสดาบัน จริยาของพระโสดาบันก็ดูตัวอย่างนาวิสาขามหาอุบาสิกาในท่านอนาเดวินีกาเศรษฐีท่านดังสองนี้เป็นผู้บรรเทาความโลภความจริงท่านเป็นมหาเศรษฐีงานในยามปกติในการทำมาหากินของท่านท่านก็ทำมาหากินเป็นปกติ ไม่ใช่ว่าพอจเจริญวิปสัสนาญาณเข้ามาแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จเจริญสมถาวิปสัสนารัลสสินทำอะไรไม่เป็นเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาทำกินกันตามปกติเพราะว่าร่างกายมันจะต้องกินจะต้องมีของใช้เพราะร่างกายมันจะต้องใช้ แต่ว่าจิตใจของเขามีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือตายแล้วเลอกกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทำเพราะความจำเป็นจำใจเพราะร่างกายมันมีให้ทราบว่าพระโสนนาสีธาคาราคารหันยังมีงานทำเพื่อความเป็นอยู่ของคันห้าและก็เพื่อความเป็นสุขของสังคม นี่เขาไม่ได้นั่งคิดจะมาร่ำมารวยกันพอถึงพระสกิธาคามีนีเขาทำกันยังไงความโลภมันถอยหลังมันถอยหลังกลับไปที่เราเรียกว่ามึงมากูมุดท่านี้พอถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วมึงไม่มากูกมุิความจริงระบบนี้เราก็ควรจะมุดมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นพระอริยเจ้า ถ้าก่อนเป็นพระอรียเจ้าเราไม่มดมาตั้งหน้าตั้งตาสู้กับความโลภมันก็เสร็จไม่มาตอนมาถึงพระสกิทาคามีปฏิบัติในตอนนี้ความรวยในยามปกติที่เราหารได้ก็เกิดความพอความดิ้นรนในราการะเรือนน้อยเต็มที แต่ว่างานทุกอย่างทำตามหน้าที่มีนาอยู่ร้อยไร่เราก็ยังทำเต็มร้อยไร่ลงทุนเพื่อการค้าขายเท่าไรเราก็ยังลงทุนอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่แต่ว่าปราศจากความคดโกงปราศจากการทูจริตการยื่นโยนรงเคราะห์ในการให้ทาน อย่างทัานางวิสาขามาหาบาสิกากวรัตนนาทินิกาเศรษฐีท่านทรงเคราะห์ด้วยดีทุกอย่างตามพระบาลีที่กล่าวว่าท่านนางสองนี้ในยามที่เข้าไปสู่วัดจะมองเห็นมือท่านเป็นผู้มือมีมือเปล่าไม่มีในตอนเช้าหรือก่อนเที่ยงท่านยังมีอาหารไปถวายพระเวลาเข้าไปวัด เวลาในเวลาวีการก็จะมีเพยสัตยเข้าไปเสมอสําหรับการให้ทานของท่านหลายพวกนี้ท่านให้ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อเีการหวังกันในการสงเคราะห์จิตคิดจิรโมกโลกมากไม่มีมีจิตดวงเดียวคือการให้ด้วยการให้ของพระอรียเจ้านี้ท่านเลือกบุคคลเป็นผู้ให้ พระสงฆ์ชื่อว่าปุญญ์เขตตังเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ถ้าว่าทนานเลวท่านก็ไม่ให้ไม่กันอย่างพี่สุโกสัมีไม่เชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทะเลาะกันแตกแล้วกันบันดาพระอารียเจ้าที่เป็นครว่าทั้งหลายไม่ยอมใส่บาตรด็กขาด พ้ะพ o h ั้นจะได้กินอยู่บ้างก็ชาว บ, บ้านที่เป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปดกิเลสที่ถือก็ว่าชั่วช่างชินช่างชีดีช่างโสเห็นว่าหัวล้นห่มผาเหลืองก็ใช้ได้อันแบบนั้นเป็นเป็นแบบที่ส่งเสริมผู้ทำลายความดีของพระศาสนานี่ยมาส่งเสริมโจรพุ้ล้นพระศาสนา คารวดผู้นั่นก็ทำไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนรขณะที่บรรดาพิสุชาวโกสัมพีจะไปขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้าที่เพื่อเชตวันมหาวิหารตอนนั้นท่านอนาลินิกาเศรษฐีท่านเป็นปโสดาบันท่านข อ, อนุญาติองค์สมเด็จพระวิชิตมาร จะไม่ยอมให้พระบรรดาทั้งหลายพวกนี้เข้ามาเห็นไหมว่าพระอรียเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เคารพส่งเดชไม่ใช่ว่าศักที่ว่ากลนหัวกลนคิ้วห่มผ้าเหลืองเขาก็ไหวเขาเลือกที่ไหวเขาจึงเป็นพระอรียเจ้าได้ฉะนั้นการให้ก็ไม่กันการให้ของพระอเรียเจ้าย่อมให้ไม่หวังผลแต่ว่าการให้ประเภทนั้น ก็จะต้องดูคนว่าเป็นบุคคลพวกคนให้ไม่เป็นอันว่าสำหรับเรื่องสกิทาคามักในเรื่องฐานนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านตัดราคะมาเส้นได้แล้วหรือวันเทาซจนกระทั่งมันสยบเรื่องโลภะความโลภมันจะมาจากทางไหน จะส่งไว้แต่เพียงอาชีพที่มีความสุจริตแต่ก็ไม่ใช่ขีเกียดยังหาเพิ่มเติมตามความจำเป็นด้วยจิตใจของท่านไม่ผูกพันในทรัพย์สินจะยกตัวอย่างจริยาของบุคคลในปัจจุบันที่การบริจาคทานขังท่านบสถนี้มีจริยาคล้ายพระอารียเจ้า นี่ฟังกันให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นเป็นพระอารียาเจ้าเขาจะเปน็นหรือไม่เป็นผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่ผมจะบอกว่าเขาพวกนั้นบริจาคทานในการสงเคราะห์คล้ายพระอรียาเจ้านั่นก็คือคนในคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ส่วนของเรา เจ้หน้าที่ในศวนของเรานี่ผมก็นับตัวไม่ทวนเหมือนกันว่าใครบ้างไม่ว่ากบคนที่เขาสงเคราะ์มาในศวนของเราคือคําว่าศวนของเรานี่เป็นศวนของพระบาทสมเด็จที่หลวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณขอร้องให้ผมตั้งขึ้นศวนนี้ต้องชื่อว่าเป็นศวนของพระองค์ไม่ใช่ศวนของผม ส่วนของผมนะผมทํามานานแล้วแต่มันตาะแตะต่อแตะแค่แกับด็กสอนเดินต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงขอร้องให้ตั้งขึ้นและพระองค์ก็ทรงพระยาทานพระยาทรัพย์สมเดพระองค์มาหนึ่งแสนบาทเป็นการเริ่มต้นของู่วนต่อมาก็ทรงพระยาทานอีกสองครั้งเจ้าพเงินรวมแล้วสองแสนเศเกือบสามแสน และยังมีสิ่งของที่คนอื่นเขาโดยสเสด็จพระราชกุศลอีกมากมายเมื่อใครเขามอบของสุขทรงพระเยท า, านส่งมาให้ดัา น, นสนนี้จึงชื่อว่าเป็นของพระองค์นี่การพระเยท า, านทรัพย์สงเพาะกับคนยากจนในทินทุรกันดาลหรือไม่กันดารเขาตามอย่างพัฒบาสมเด็จใจหัวก็ดี แล้วก็เวยแล้วก็เช่นกับบุคคลนั้นหลายที่เขาส่งเคราะห์ร่วมมากับสวนก็ดีเจ้าหน้าที่ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่ช่วยเราทํางานทุกอย่างเธอทํางานกันไม่เห็นกันเหน็ดกันเลยไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆแล้วก็สลละทรัพย์ทรัพย์ส่วนตนเสียค่ารถค่าค่าพาหนะค่าอาหาร ในการมาทําการช่วยจัดการงานของสนก็ดีหรือว่าไปช่วยแจกของกับคนที่ยากจนในถินทุระกันดานก็ดีเธอทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยเอาเปรียบศูนย์คําว่าเปรียบศูนย์ก็หมายความไม่ทํางานแต่วรับเงินค่าจ้างนี่งเงินค่าจ้างพวกเธอเองทั้งหมดไม่เคยรับผมก็ไม่เคยให้ น, น, นอกจากเธอจะทำงานกันอย่างแข็งแรงอย่างคาดไม่ถึงก็ายังเสียสละทรัพย์ส่วนตัวร่วมกิจการของศูนย์ในการแจกนอกจากนั้นค่ารถค่าพาหนะต่างๆค่าโดยสารที่ต้องเช่ารถเข้าไปเธอก็ออกกันเองค่าอาหารการบริโภคเธอก็ออกกันเอง แล้วเราไปดูน้ําใจเขาบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาทําเขาทําในเขาหวังผลตอบแทนหรือเปล่าที่เป็นวัตถุว่าการให้แล้วคนพวกนี้จะต้องมายกมือไหวมอขอบบุญยอคุณแล้วต้องชาระหนี้แล้วต้องเอาของมาให้เป็นการตอบแทนเพราการให้กับคนทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่รู้จักมาก่อนการที่จะไปทวงบุญทวงคุณนะั้นมันเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องดูตัวอย่างน้ำพระไทยัยของพระบาทสมเด็จเจหัวคนดีสมาชิกคือเจ้าบุคคลผู้มีศรัทธาสรงเคราะห์ส่วนคนดีเจ้าหน้าที่ก็ส่วนของเราคนดีที่ทำงานกันเป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนจริยาการให้ทานแบบนี้เป็นจริยาของพระอริยเจา้า ไห้กล่าวกันไปก็มีจริยาคล้ายกับจริยาของพ น, นางวิสาขามาหาบาสิกาและอ่านาบินิกาเศรษฐีถ้าอารมณ์แห่งการให้มีอย่างนี้แล้วก็ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างหนึ่งนนบริการหนึ่งเด็กของเราหลายคน มีน้ำจิตต้ำใจเป็นกุศลถึงกับอยาจะลาออกจากราชการมาทำงานของศน์ที่ไม่มีผลตอบแทนไม่มีเงินเดือนไม่มีเว้ยเลี้ยงมีพวกเธอเสียสละกันขนาดนี้น้ำใจอย่างนี้แหละเป็นน้ำใจที่ตัดโลภความโลภและเป็นน้ำใจที่ตัดความโลภเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลาย ฉะนั้นผมจะไม่แนะนำอะไรมากหากว่าท่านไม่เข้าใจแล้วก็จงดูตัวอย่างบรรดาเด็กหญิงและเด็กชายในของเราผู้ชายน้อยผู้หญิงมากเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์ทำงานสงเคราะห์คนผู้ยากจนในทินทระกันดานถึงวันเวลาบางคนก็รับราจการมีหน้าที่ตาแหน่งสงจนถึงทั้งถึงเป็นนายพล แต่เขาทุกคนพวกนั้นเวลาทำงานก็ทำงานอย่างกุลีเข้าไปคลุกคลีกับคนทุกคนอย่างไม่ถือเนื้อเถือตัวไม่สแสดงความดังเกียตว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นคนจนจะมีฐานะเช่นใดใจของท่านทหลายพวกนั้นเต็มได้วยความอบอ้อมอารีมีความเมตตาประณีหวังในการสงเคราะห์ แล้วก็คนทุกคนที่ทํางานไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงออกค่ากินเองเออกค่าพาน้าเองนี่ตัวอย่างขบรนดาท่านนันหลายที่ช่วยทํางานของศูนย์เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นจริยาที่สแสดงเห็ว่าจิตของท่านนันหลายเหล่านั้นมีโลภะอันขาดแล้วหมายความว่ามีความโลภ ในด้านอากุศลไม่ขาดแล้วความได้โลภะประวัตได้มาต้องเพยงเอาสองระการคือได้มาเพราะความโลภคือเป็นการทำลายความดีและได้มาด้วยความสุจริตถ้าเขาได้มาด้วยความสุจริตคนเป็นพลทหารพลตารวจเขาทำความดีจนทังเลื่อนขึ้นเป็นนายอยยันนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะ คนณทุกคนที่ประกอบกิจการงานในการค้าการขายทำไร่ทำนาเรียว่ารับจ้างถ้าสร้างความดีจนมีฐานะรำ่ำรวยอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสมาจีวะพระอริยเจ้ายัางต้องทำเทว่าแต่พระสีทาคามีและพระโสนาเลยถึงเม้ว่าพระอนาคามีก็ทำสำหรับพระที่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ทำ อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านโฉงเคราะบรรดาประชาชนทั้งหลายจนกระทั่งเขามีเรื่อมใสในพระองค์ถ้าไหวของเขามาราคามากแสนมากสมเด็จพระผู้มีพระผาาเจ้าก็ทรงรับได้รับแล้วองค์สมเด็จพระบัีแก้วไม่ได้ไปสั่งสมเพื่อความอยู่เป็นสุขคือไม่ความาเป็นผู้ร่ารวยแต่ผู้เดียว กลับเอาของทัาหลายเหล่านั้นปล่อยให้เป็นสาธรารณประโยชน์เพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่นี่สำหรับเรื่องความโลภนี่วิธีตัดเขาก็ตัดกำเนิดการให้ทานไม่ใช่ตัดเรื่อี้ารความละโมกโลกมากอันนี้ผมพูดวันเดียวให้ดูตัวอย่างเด็กๆที่มาทำงาน ก, ากันแล้วกัน อธิบายไปมันก็ยุ่งพูดกันมาเยอะแยะแล้วเป็นอันว่าสำหรับพระอนาคสากิทาคามีเริ่มต้นตั้งแต่ประโสดาบันพระโสดาบันลดความโลภเออการหามาด้วยการพุจริตจะหาแต่เฉพาะสุจริตธรรมเท่านั้นมีจิตเมตตาปรารถนาจะเกื้อกูลบคุคคลทุกคนให้มีความสุขแม้แต่สัจจะฉาน อย่างนางมีสาขามวะมาหาอุบาสิกาเดีวท่านนาดิวินิกาเสถีท่านแดงสองนี้ให้ทานไม่จํากัดสําหรับท่านนาดิวินิกาเสถีจนลงไปถึงก็ข้าวที่เป็นเม็ดไม่มีกินต้องมีแกงกินข้าวปลายเกียงข้าวปลายผสมก็นําผักดองมาองค์สมเด็จพระพู้ทธมีพระพ่ายเจ้าเสด็จไปท่านก็ไม่ลดทานของท่าน เคยถวายสงวรรณห้าร้อยองเพียงใดท่านก็ถวายเท่านั้นแม้ได้กับข้าวข้าวมันจะไม่ดีท่านก็เห็นว่าไม่สําคัญใจของท่านนั้นเต็มปวดจิตเต็มเปี่ยกในการให้ทานอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความโลภที่เราจะไต่กันได้เพราะอาศัยการให้ทานจิตมีความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์ แด้การให้ท่านนั้นเป็นการให้ที่ไม่หวังผลในการตอบแทนสำหรับโลภา น, นิผมจะไม่สอนตามลำดับเมื่อไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าถ้าเราบรรเทาความรักในระหว่างเพศเสีนได้ก็ชื่อเราบรรเทาความโลภไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตัวรักกับตัวโลภนี่มันตัวเดียวกัน ฉะนั้นวิธีที่จะสอนก็ไม่สอนอะไรมากให้คิดแต่เพียงว่าจิตคิดอยู่ว่าเราจะสงเคราะห์คนและสัตว์ให้มีความสุขไม่ได้คิดจะเอาเปรียบจะกาไรการแสวงหาไรายได้จะหาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นไปโดยชอบธรรมเราจะไม่หาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่ปฏิบัติเทวกรรมฐาน เริ่มต้นตั้งแต่จะจะปฏิบัติพระกรรมาฐานเป็นตนมาพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประโยคาวจรเป็นที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติประกอบ ด, ด้วยความดีจะต้องพยายามตัดทั้งราคะพยายามตัดทั้งโลภะพยายามตัดทั้งความโกรธพยายามตัดทั้งความหลงเป็นนั้นว่าสําหรับโลภะตนนี้ สำหรับเรื่องเสราโสนดาเซสกิทาคามีผมก็ยอมงดพูดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าตัวอย่างมีอยู่แล้วถ้าจะพูดไปก็ไรประโยชน์ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าดูตัวอย่างพวกเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์เธอทำงานันเหน็ดเหนื่อยเธอจ่ายของเธอเอง ถ้าเดินทางมาเดินทางไปกินระหว่างทางบางทีมาถึงที่วัดเธอก็ซื้ออิงของเธอเองในการไปแจกของเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์เธอก็ต้องเสียค่าพานะเองแล้วเธอก็ยังเสียสลาะสะีตังอามาช่วยผมอีกเ็าเกรงว่าหลวงพ่อจะขาดทุนแต่ความจริงถ้าพวกเธอไม่เรียกค่าจ้างมันก็เป็นบุญอยู่แล้ว เธอยังกลัวขาดทนนี่สนแสดงว่านำใจของเธอพวกนี้มีจริยาในการให้ทานคล้ายพระ อ, อริยเจา้าอย่าลืมนะว่าผมพูดว่าคลายพระ อ, อริยเจา้าผมไม่ได้บอกว่าพวกเธอเป็นพระ อ, อริยเจา้าเพราะการจะบอกอย่างนั้นเป็นเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผูเดียวอาราสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ ขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมติยาัยและตามสมควรเกีวเวลาที่ท่าเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดี